หนึ่งร้อเกาบสองพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกกีเลตอาใจเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคนาจางของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าคาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีทรงถูกกิเลสอาศัยเป็นผู้มั่นคงอธิบายว่าคําว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระสยามภูไม่มีครูอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่มิเคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญยูในสัจจะนั้นและความเป็นผู้ทรงชํานาญในพระยาทั้งหลายคําว่าพระพุทธเจ้า อธิบายว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงทำหมูสัตว์ให้ตรัสรู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระสัพพันธ์อยู่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีคนอื่นแนะนำ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้เบิกบานชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระคีนาศพชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ปราศจากอุปาคีร์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพ wow <mon> ุทธเจ้าพระปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิง ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพราะเสด็จถึงทางสายเอกชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลำพังพระองค์เดียวชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ขจัดความไม่รู้ได้แล้วและทรงเป็นผู้ได้เฉพาะความรู้คําว่าพระพุทธเจ้านี้ม่ใช่พระชนนีทรงตั้ง มิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระภคินีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมาตตตั้งมิใช่พระญาติแ ล, าตาและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งความว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัจจการัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย เกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้เฉพาะพระสัพพัญญุตยานที่โคนต้นโพ ร, รวมความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคําว่าผู้ไม่ทรงถูกกิเลสอาศัยได้แก่ความอาศัยสองอย่างคือหนึ่งความอาศัยด้วยอํานาจตันหา 2. ความอาศัยด้วยอํานาจทิฏฐิว่าด้วยตันหาทิฏฐิความอาศัยด้วยอํานาจตันหาเป็นอย่างไร คือวัตถุที่ทำให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นผนกกกำหนดถือเอายึดถือว่าเป็นของเราด้วยส่วนแห่งตันหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุประมาณเท่านี้ว่านี้ของเรานั่นของเราเท่านี้ของเราของเรามีปริมาณเท่านี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเครื่องปูราดเครื่องนุ่งห่มธาตุหญิงชายแพ แกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองบ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบคลังหลวงแม้มหาปัฏภีทั้งสิ้นย่อมจะถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาซึ่งจำแนกได้ร้อยแปดน้ชื่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจตันหา ความอาศัยด้วยอํานาจทิฏฐิเป็นอย่างไรคือจักกยทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบอันตคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุสิบทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชาคือทิฏฐิความกันดานคือทิฏฐิเเสี่ยนน้ําคือทิฏฐิความดิ่งรนคือทิฏฐิเครื่องผูกพันคือทิฏฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่น ความยึดมั่นเถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิตีรธถีความถือขัดแยง้งความถือวิปริตความถือวิปลาสความถือผิดความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐิ62นี้ชื่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละความอาศัยด้วยอำนาจตัญหาได้แล้วสลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ทรงละความอาศัยด้วยอำนาจตัญหาสลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าไม่ทรงอาศัยคือไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ติดใจแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องแล้วกับตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะตระกูลหมูนะ่คณะอาวาดลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินบาตเศนาสนะกิฬาณปัจจัยเพศประรุขานการมทธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามพภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐพทะที่รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งมีใจเป็นอิสระจากความอาศัยอยู่รวมความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกกิเลสอาศัย ว่าด้วยผู้มั่นคงด้วยอาการห้าอย่างคำว่าเป็นผู้มั่นคงอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งเป็นผู้มั่นคงในอิทธารณมและอนิทารมสองเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้สละแล้วสเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้ข้ามได้แล้วสเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้พ้นแล้ว หเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงในอิทธารมณ์และอนิธารมณ์เป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงทั้งในลาบและความเสื่อมลาบเป็นผู้มั่นคงทั้งในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มั่นคงทั้งในสรนเสริญและนินทาเป็นผู้มั่นคงทั้งในสุขและทุกข์ คนบางพวกเอาของหอมฉลมพระพาหาข้างหนึ่งอีกพวกหนึ่งใช้มีดถากพระพาหาอีกข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ไม่จงมีความยินดีในการฉลมด้วยของหอมที่พระพาหาข้างโน้นและไม่จงมีความยินร้ายในการถากพระพาหาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคทรงละความยินดีและความยินร้ายได้แล้วทรงล่วงพ้นความดีใจและความเสียใจแล้ว ทรงก้าวล่วมความยินดีและความยินร้ายได้แล้วพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงในอิทธารมณ์และอนิธารมณ์เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้สละแล้วเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงสละคลายปล่อยและสละทิ้งราคะได้แล้วโทสะโมหะโกธาอุปนาหะมัคคะ เวลาสะอิ ส, สามัชริยะมายาสาเถยยะถัมภะสารัมภะมานะอติมาน ะ, ะ, ะมทะปมาทะยิเลทุกชนิดทุจริทุกทางความระวงนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการพระผู้มีพระภาคทรงสละคลายปล่อยและสลัดทิ้งอากูศลาพิสังขารทุกประเภทได้แล้ว พระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้สะละแล้วเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้ข้ามได้แล้วเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงข้ามเพือข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าพ้นล่วงพ้นกามโมคะพะโวคะทิทโถโคะอวิชโชคะทางแห่งสงสารทั้งปวงได้แล้ว พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอยู่ในอริยวาสธรรมแล้วทรงประพฤติจรณธรรมแล้วทรงผ่านทางไกลแล้วทรงถึงทิศนิพพานแล้วทรงถึงจุดจบนิพพานแล้วทรงรักษาพรหมจรรย์แล้วทรงบรรลุทิฏฐิสูงสุดแล้วทรงเจริญมากแล้วทรงละกิเลสได้แล้วทรงรู้แจ้งธรรมที่มีกำเลิบแล้วทรงทำนิโรธให้แจ้งแล้ว พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงกาหนดรู้ทุกแล้วทรงละสมุทัยได้แล้วทรงเจริญมรรคได้แล้วทรงทมนิโรธให้แจ้งได้แล้วทรงรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้วทรงกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ได้แล้วทรงละธรรมที่ควรละได้แล้วทรงเจริญธรรมที่ควรเจริญได้แล้วทรงทำให้แจ้งธรรมที่ควรทาให้แจ้งได้แล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงถอนลิมสลักคืออวิชาได้แล้วทรงถมคูคือกรรมได้แล้วทรงถอนสารเนียคือตัญหาได้แล้วไม่มีบานประตูคือสังโยชตทรงไกลาจากฆาสึกคพือกิเลสทรงปลดทงคือมานะลงเสียแล้วทรงปรงภาระได้แล้วมิได้ทรงเกี่ยวข้องกับโยคกิเลสแล้วทรงละองห้านิวรได้แล้วทรงประกอบด้วยองหก ทรงมีธรรมเครื่องรักษาอย่างเอกคือสติมีอภปเษณธรรมสีอย่างมีปเจรกระศจะอันบรรเทาได้แล้วทรงมีการสวงหาอันสละได้โดยชอบไม่บกพร่องทรงมีพระดํำริเมื่อขุนมัวทรงมีกายสังขารอันระงรับได้แล้วทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วทรงมีปัญญาหลุดพ้นได้ดีทรงเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทรงอยู่จบพรหมจรรย์ ทรงเป็นอุดมบุรุษทรงเป็นบรมมบุรุษทรงถึงกลางบรรลุปรามถธรรมแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ ไ, มได้ทรงก่อผลกรรมไม่ได้ทรงกําจัดทรงกําจัดได้แล้วดํารงอยู่ไม่ได้ทรงละกิเลสไม่ได้ทรงถือมั่นทรงละได้แล้วดํารงอยู่ไม่ได้ทรงเย็บไม่ได้ทรงยกทรงเย็บได้แล้วดํารงอยู่ไม่ได้ทรงดับไม่ได้ทรงก่อ ทรงดับได้แล้วดำรงอยู่ชื่อว่าดำรงตนอยู่ได้เพราะทรงเพียรพร้อมด้วยศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศนขันอันเป็นอเสขะทรงดำรงอยู่ทรงแทงตลอดสัจจะแล้วทรงดำรงอยู่โดยการก้าวล่วงตันหาอันเป็นเหตุให้วันไหวทรงดำรงอยู่โดยการดับไฟกิเลส ทรงดำรงอยู่โดยไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดทรงดำรงอยู่โดยการสมาทานทำขั้นสุดยอดทรงดำรงอยู่โดยการเสกวิมุตติทรงดำรงอยู่ด้วยเมตตาอันบริสุทธิ์โกรณาอันบริสุทธิ์มุทิตาอันบริสุทธิ์อุเบคาอันบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งทรงดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์เพราะไม่มีตัณหาทิฏฐิมานะ ทรงดำรงอยู่เดยความเป็นผู้หลุดพ้นทรงดำรงอยู่เดยความเป็นผู้สันโดษทรงดำรงอยู่ในขันสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในท่าสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในอายตนะสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในคติสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในอุบัตสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในปฏิสนธิสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในภพสุดท้าย ทรงดำรงอยู่ในสงสารสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในวัฏฏะสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในภพสุดท้ายทรงดำรงอยู่ในประชุมแห่งขันสุดท้ายทรงไว้ซึ่งร่างกายขั้นสุดท้ายทรงเป็นผู้ไกลจากฆ่าศึกสมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีภพนี้เป็นภพสุดท้ายทรงมีประชุมแห่งขันนี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้ข้ามได้แล้วเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้พ้นแล้วเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นดีแล้วจากราคะโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะ สลาสะปิสามัจฉริยะมายาสาเถยะฐัมภะสารัมภะมานะอติมาน ะ, ะ, ะ, ะมะัทะปมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการทรงมีพระทัยพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นดีแล้วจากอากุศลาพิสังขารทุกประเภท พระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้พ้นแล้วเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเมื่อศีลมีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีศีลเมื่อศรัทธามีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง เพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีศรัทธาเมื่อความเพียรมีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีความเพียรเมื่อสติมีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีสติเมื่อสมาธิมีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีสมาธิ เมื่อปัญญามีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีปัญญาเมื่อวิชามีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีวิชาสามเมื่อพระมีอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะทรงแสดงออกว่าทรงเป็นผู้มีพรรยสิบพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง เพราะแสดงออกซึ่งทรรนั้นๆเป็นอย่างนี้รวมความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกกิเลสอาศัยเป็นผู้มั่นคงว่าด้วยเรื่องหลอกลวงสามอย่างคําว่าไม่หลอกลวงในคําว่าไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์ได้แก่เรื่องหลอกลวงสามอย่างคือหนึ่ง เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจใจสองเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับอิรียบทสเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเรียบเคียงเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจใจเป็นอย่างไรคือค่าบดีในโลกนี้ย่อมนิ ม, มนต์ภิกษุถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานะปัจัยเพศบริขาร ภิกษุนั้นมีความปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำมีความต้องการจีวรนบินทบาทเสนนาสนะและคิลานปัจจัยเพศัตบริขารเพราะต้องการได้มากยิ่งขึ้นจึงบอกคืนจีวรนบินทบาทเสนนาสนะและคิลานปัจจัยเพศัตบริขารเธอพูดอย่างนี้ว่าจีวรนที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแกสมณนะ สมณะควรที่เลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าช้ากองอยากเยื่อหรือร้านตลาดเอามาทําสังฆาติใช้จึงจะเป็นการเหมาะสมบินทบา ท, ที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณนะสมณะควรสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้มาด้วยปลีแค่งโดยการเที่ยวสแสวงหาจึงจะเป็นการเหมาะสมเสนาสนะที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณนะ สมณะควรอยู่โคนไม้อยู่ที่ป่าช้าหรืออยู่ที่กลางแจ้งจึงจะเป็นการเหมาะสมกีฬาณปัจจัยเพสัตชบริหารที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะสมณะควรทํายาด้วยน้ํามูดเน่าหรือชิ้นลูกสมอจึงจะเป็นการเหมาะสมเพราะต้องการได้ให้มากยิ่งขึ้นนั้นเธอจึงครองจีวรเจ้าหมองฉันบินตาบาาเจ้าหมองใช้สอยเสยนาสนะซอมซ้อ ใช้กีฬานปัจจัยเพศัดบริขารตามมีตามได้พระหบดีทั้งหลายรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าสมณะรูปนี้มีความปรารถนาน้อยสันโดษสงบสงัดเม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะปรารกความเพียนมีวาทะการรจัดขัดเกลาก็ยิ่งนิมนเธอให้รับจีวอนบินทบาดเสนาสนะและกีฬานปั จ, จัจเพศจับริขารมากยิ่งขึ้น ก็พูดอย่างนี้ว่าเพราะพรั่งพร้อมด้วยเหตุสามประการกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากเธอเพราะพรั่งพร้อมด้วยศรัทธาเพราะพรั่งพร้อมด้วยทายาธรรมเพราะพรั่งพร้อมด้วยพระทักขินายบุคคลกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากท่านทั้งหลายมีศรัทธานี้อยู่ทายาธรรมนี้ก็มีอยู่พร้อมทั้งอัตมภาพก็เป็นปฏิปทาหกถ้าอัตมภาพไม่รับ พวกท่านก็จักเสื่อมจากบุญไปเสียอาตมภาพนี่ได้มีความต้องการด้วยปัจจัยนี้แต่จักรับเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านเพราะอาศัยเหตุนั้นเธอจึงรับจีวรมากมายรับบิณฑบาตมากมายรับเสนาสนะมากมายรับทีลานปัจัยเพศรบริขารมากมายการทำหน้านิ่วการทำคิ้วขมวดการหลอกลวงคุริยาที่หลอกลวง ภาวะที่หลอกลวงเห็นปานนี้น้ตรัสเรียกว่าเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับอิรียบดเป็นอย่างไรเคอภพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำปรารถนาจะให้เขายกย่องคิดว่าคนจักยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้จึงสำรวมการเดินสำรวมการยืน สำรวมการนั่งสำรวมการนอนตั้งสติเดินตั้งสติยืนตั้งสตินั่งตั้งสตินอนทำทีเหมือนภิกษุมีสมาธิเดินเหมือนภิกษุมีสมาธิยืนเหมือนภิกษุมีสมาธินั่งเหมือนภิกษุมีสมาธินอนเป็นเหมือนภิกษุเจริญฌานอวดต่อหน้าการตั้งท่าการวางท่าการดำรงมั่นอิรียบทการทำหน้านิ้ว การทําคิ้วขโมดการหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงภาวะที่หลอกลวงเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับกิริยาบทเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียงเป็นอย่างไรเคลพิสุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้มีความปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำปรารถนาจะให้เขายกย่องคิดว่า คนจักยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้จึงกล่าวว่าจาอิงอริยธรรมคือพูดว่าภิกษุผู้ทรงจีวรมีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีศักย์ใหญ่ผู้ใช้บาตรใช้ภาชนะโลหะใช้ธรรมะกระกใช้ผ้ากรองน้ําใช้ลูกกุญแจใช้รองเท้าใช้ประคตเอวใช้สายโยกบาตรมีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีศักย์ใหญ่พูดว่า ภิกษุผู้มีอุปชาระดับนี้เป็นสมณะมีศัก์ใหญ่มีอาจารย์ระดับนี้มีผู้ร่วมอุปชาระดับนี้มีผู้ร่วมอาจารย์ระดับนี้มีมิตรมีพักพวกมีคนที่คบหากันมีสหายระดับนี้เป็นสมณะมีศัก์ใหญ่พูดว่าภิกษุผู้อยู่ในวิหารมีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีศักย์ใหญ่อยู่ในเรือนมีหลังคาด้านเดียว มีรูปแบบอย่างนี้อยู่ในประสาทอยู่ในเรือนโล้นอยู่ในถ้าอยู่ในที่หลีกเร้นอยู่ในกูดีอยู่ในเรือนยอดอยู่ที่ป้อมอยู่ในโรงกลมอยู่ในเรือนพักอยู่ในเรือนรับรองอยู่ในมนดบอยู่ที่โคนไม้มีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีจักย์ใหญ่อีกนายหนึ่งพิกษุเป็นผู้วางหน้าเฉยเมยทำหน้านิ้วคิ้วขมวด โกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนตลบตะแรงเป็นผู้ได้รับยกย่องด้วยการวางหน้าว่าสมนะนี้ได้วิหารสมาบัติอันมีอยู่เห็นป่านนี้ภิกษุนั้นย่อมกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นอันเกี่ยวเนื่องด้วยโลกุตระธรรมและสุญญตนิพพานซึ่งลึกซึ้งเร้นลับละเอียดอ่อนปิดบังการทำหน้านิ่วการทำคิ้วขมวดการหลอกลวงกริยาที่หลอกลวง ภาวะที่หลอกลวงเห็นปานนี้นี้ตรัดเรียกว่าเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียงเรื่องหลอกลวงสามอย่างนี้พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ไม่หลอกลวง รวมความว่าไม่หลอกลวงว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระคนาจารย์คำว่าพระคนาจารย์ในคำว่าเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระคณาจารย์ทรงเป็นอาจารย์แห่งหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงเป็นาศาสดาแห่งหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคนาจารย์ ทรงบริหารหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงสั่งสอนหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงตามสอนหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงแกล้ากล้าเสด็จเข้าสู่หมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์หมู่คณะย่อมตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงฟังพระองค์ตั้งจิตเพื่อความรู้จึงชื่อว่าพระคณาจารย์ พระศาสดาทรงทำหมู่คณะให้ออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลจึงชื่อว่าพระคนาจารย์ทรงเป็นพระคนาจารย์ของหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุณีหมู่อุบาสกหมู่อุบาสิกาหมู่พระราชาหมู่ตริย์หมู่พราหมณ์หมู่แพทย์หมู่สูตรหมู่เทศหมู่พรมจึงชื่อว่าพระคนาจารย์พระศาสดาทรงเป็นผู้นำหมู่ เป็นพระคณาจารย์เป็นอาจารย์แห่งหมู่คณะคำว่าเสด็จมาแล้วได้แก่ทรงเข้าไปทรงเข้าไปถึงทรงถึงพร้อมซึ่งสังกัดสานครแล้วรวมความว่าไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์คำว่าของคนเป็นอันมากในคำว่าของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้ได้แก่ คนเป็นอันมากคือที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบันปชิตเทวดามนุษย์คำว่าผู้ยังผูกพันอยู่ได้แก่ผู้ยังผูกพันอยู่คือมีความประพฤติผูกพันเป็นผู้บำรงเป็นสิทธิ์รวมความว่าของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้คำว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหา จึงมาเฝ้าอธิบายว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าแล้วคือปรารถนาจะทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าแล้วมีความปรารถนาจะฟังปัญหาจึงมาเฝ้าแล้วรวมความว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งการมาเฝ้าการก้าวเดินเข้าเฝ้าการเข้าไปเฝ้าการเข้าไปนั่งใกล้ พึ่มมีแก่ผู้ต้องการด้วยปัญหาคือผู้ปรารถนาจะถามปัญหาผู้ปรารถนาจะฟังปัญหารวมความว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระองค์ทรงมีอาคมแหล่งความรู้แห่งปัญญาพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะตรัสบอกคือวิสัชนาปัญหาข้อที่ข้าพระองค์ทูลถาม ปัญหาข้อนี้จึงเป็นภาระของพระองค์รวมความว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกขีเลตอาศัยเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์ของคนเป็นอันมาก ผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้193พระสารีบุตรกล่าวว่าเมื่อภิกษุเบื่อหน่ายใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าในถ้ำแห่งภูเขาที่โคนต้นไม้หรือที่ป่าช้า คำว่าเมื่อพิสุในคำว่าเมื่อพิสุเบื่อนายได้แก่เมื่อพิสุผู้เป็นกระยาณปุถุชนหรือพิสุผู้เป็นพระเสกขาคำว่าเบื่อนายได้แก่เบื่อนายคืออึดอัดระอารังเกียร ด, ด้วยชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาต์เบื่อนายอึดอัดระอา รังเกีด้วยทุกเนื่องจากการเกิดในนรกทุกเนื่องจากการเกิดในกําเนิดเดริชานทุกเนื่องจากการเกิดในเปต่วิสัยทุกเนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์ทุกเนื่องจากการเถรกาเนิดในคันทุกเนื่องจากการอยู่ในคันทุกเนื่องจากการคลอจากคันทุกที่สืบเนื่องจากผู้เกิดทุกของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นทุกที่เกิดจากความพยายามของตน ทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของคนอื่นทุกข์ที่เกิดจากทุกขเวทนาทุกข์ที่เกิดจากสังขารทุกข์ที่เกิดจากความแปรผันเบื่อนายด้วยทุกข์เพราะโรคทางตาทุกข์เพราะโรคทางหูทุกข์เพราะโรคทางจมูกทุกข์เพราะโรคทางลิ้นทุกข์เพราะโรคทางกายทุกข์เพราะโรคศีรษะทุกข์เพราะโรคหูทุกข์เพราะโรคปาก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 โรคฤาษีดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเฉมหะความเจ็บปวยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตเบื่อนานด้วยความเจ็บปวยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลความเจ็บปวยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้สวนกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพลินกลนกําลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิว ความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเบื่อหน่ายคืออึดอัดระอารังเกียดด้วยทุกข์เพราะมารดาตายทุกข์เพราะบิดาตายทุกข์เพราะพี่ชายน้องชายตายทุกข์เพราะพี่สาวน้องสาวตายทุกข์เพราะบุตรตายทุกข์เพราะธิดาตายทุกข์เพราะความพินาศของญาติทุกข์เพราะโภคทรัพย์พินาศ ทุกเพราะความเสียหายที่เกิดจากโรคทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะทิฏวิบัตริรวมความว่าเมื่อภิกษุเบื่อนายคำว่าใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าอธิบายว่าที่เป็นที่นั่งของภิกษุตรัสเรียกว่าที่นั่งได้แก่เตียงตังเบาะเสือ่อแผ่นหนังเครื่องปูล่าทําด้วยหญ้าเครื่องปูล่าทําด้วยใบไม้ เครื่องปูล่าทํำด้วยฟางที่นั่งนั้นว่างคือสงัดเงียบจากการเห็นรูปไม่เป็นที่สบายจากการได้ยินเสียงไม่เป็นที่สบายจากกามากุลห้าไม่เป็นที่สบายเมือ่อภิกษุใช้คือใช้สอยเสพเสพเป็นนิสซ่องเสพเสพเฉพาะที่นั่งอันว่างเปล่านั้นรวมความว่าใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าคําว่าที่โคนต้นไม้หรือที่ป่าช้า อธิบายว่ารุคมูลนั่นเองชื่อว่าโคนต้นไม้สุสานนั่นเองชื่อว่าป่าช้ารวมความว่าที่โคนต้นไม้หรือที่ป่าช้าคำว่าในถ้าแห่งภูเขาอธิบายว่าบรรพศนั่นเองเรียกว่าภูเขากันทะนั่นเองเรียกว่าซอกเขาคิริคุหานั่นเองเรียกว่าถ้าแห่งภูเขาซอกระหว่างเขา เรียกว่าซอกเขาแห่งภูเขาทั้งหลายรวมความว่าในถ้ำแห่งภูเขาด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่าเมื่อภิกษุเบื่อน่ายใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าที่โคนต้นไม้ที่ป่าช้าหรือในถ้ำแห่งภูเขาหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่พระสารีบุตรเทระกล่าวว่า ภิกษุอยู่บนที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงอื้ออึงเห็นอารมณ์ที่หน้าหว่าเจียวเหล่าใดแล้วไม่พึงวันไว้ภิกษุอื่นพึงวันไว้ร้องอยู่บนที่นอนสูงและใหญ่ซึ่งเป็นที่มีอารมณ์ที่น่าหว่าเสียวคาว่าสูงและใหญ่ในคําว่าบนที่นอนสูงและใหญ่ได้แก่สูงและใหญ่คือเลวและปราณีตดีและชั่ว คำว่าบนที่นอนอธิบายว่าเนาสนาชนะตรัสเรียกว่าที่นอนได้แก่วิหารเรือนหลังคาด้านเดียวปราสาทเรือนโลนถ้ารวมความว่าบนที่นอนสูงและใหญ่คําว่าร้องอยู่ในคําว่าร้องอยู่ซึ่งเป็นที่มีอารมณ์ที่น่าหวาเสียวได้แก่ร้องอยู่คือร้องลั่นส่งเสียงส่งเสียงดัง อีกในหนึ่งคำว่าร้องอยู่อธิบายว่าอารมณ์หน้าหวาดเสียวมีเท่าไหร่มีประมาณเท่าไหร่มีขนาดไหนมีมากแค่ไหนก็ร้องแค่นั้นคำว่าอารมณ์ที่หน้าหวาดเสียวได้แก่สิงโตเสือโครง่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสุนัขป่าโคกระบือช้างงูแมงป่องตะขาบโจร คนที่ได้ก่อกรรมไว้ห <se> ร er> <t> ือยังไม่ได้ก่อกรรมไว้รวมความว่าร้องอยู่ซึ่งเป็นที่มีอารมณ์ที่หน้าหวาเสียวคำว่าอารมณ์ที่หน้าหวาเสียวเหล่าใดในคำว่าภิกษุเห็นอารมณ์ที่หน้าหวาเสียวเหล่าใดแล้วไม่พึงหวั่นไหวได้แก่ภิกษุเห็นหรือได้ยินอารมณ์ที่หน้าหวาเสียวเหล่าใดแล้วไม่พึงหวั่นไหวือไม่พึงฉันเทา ไม่พึงกระสับกระสายไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงครั่งครามไม่พึงเกรงกลัวไม่พึงหวาดกลัวไม่พึงถึงความสะดุ้งได้แก่พึงเป็นผู้ไม่คลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีพึงเป็นผู้ละไพยและความหวาดกลัวหมดความขนพองสยองกล้าวอยู่รวมความว่าพิกษุเห็นอารมณ์ที่น่าหวาดเสียวเหล่าใดแล้วไม่พึงหวั่นไหว คำว่าบนที่นั่งที่นอนอันไม่มีเสียงอื้ออึงได้แก่บนเสนาสนะที่มีเสียงน้อยมีเสียงอืกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทําการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเรน้นรวมความว่าบนที่นั่งที่นอนอันไม่มีเสียงอื้ออึงด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่า ภิกษุอยู่บนที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงอื้ออึงเห็นอารมณ์ที่น่าว่าเสียวเหล่าใดแล้วไม่พึงหวันไหวภิกษุอื่นพึงวันไหวร้องอยู่บนที่นอนสูงและใหญ่ซึ่งเป็นที่มีอารมณ์ที่น่าหวาดเสียวหนึ่งรห้าพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าภิกษุเมื่อจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปพึงปราบปรามอันตรายเท่าที่มีอยู่ในโลก บนที่นั่งที่นอนอันเงียบสงัดคําว่าเท่าที่มีอยู่ในคําว่าอันตรายเท่าที่มีอยู่ในโลกได้แก่เท่าที่มีอยู่คือมีประมาณเท่าไรมีขนาดไหนมีมากแค่ไหนคําว่าอันตรายได้แก่อันตรายสองอย่างคือหนึ่งอันตรายที่ปรากฏสองอันตรายที่ไม่ปรากฏอันตรายที่ปรากฏคืออะไร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 ไข้พิษไข้เชื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกลากมงคล้อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิตหูดโรคละโลกโรคดีจานโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤุสีดวงทวารความเจ็บป่วยที่ยเกลือจากดีความเจ็บป่วยเที่เกลือจากเสมหะ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 มัจฉริยะมายาสาธยยะถามพะสารัมพะมานะอติมานะมทะปมาทะยิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกรนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลภิจังขานทุกประเภทเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏคําว่าอันตรายอธิบายว่า ชื่อว่าอันตรายเพราะมีความหมายอย่างไรชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุสสลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพที่ชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำเป็นอย่างไรเพื่ออันตรายเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงำท่วมทัรบรัดตรึงย่ำยีบุคคลนั้น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 ความมันเจริญสัมมาประธานสี่ความมันเจริญอิธิบาสสีความมันเจริญอินรีห้าความมันเจริญพละห้าความมันเจริญโพชงเจ็ดความมันเจริญอริยมัคมีองค์8ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างนี้ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นมีอัตภาพเป็นที่อาศัยเปรียบเหมือนสัตว์ที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูสัตว์ที่อาศัยน้ําย่อมอยู่ในน้ําสัตว์ที่อาศัยป่าย่อมอยู่ในป่าสัตว์ที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่บนต้นไม้ฉันใดบาปอกุณธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดในอัตภาพนั้นมีอัตภาพเป็นที่อาศัยฉันนั้นเหมือนกัน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 ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบาปอคุโสณธรรมทั้งหลายมีความดำริสร้างไปเพื่อกูรแก่สังโยตย่อมเกิดขึ้นแก่พิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะตาเห็นรูปบาปอคุโสณธรรมทั้งหลายย่อมอยู่ย่อมสร้างไปภายในของพิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกพิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ภายใน บาปอคุโสณธรรมเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกพิสุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นพิกษุทั้งหลายอีกในหนึ่งบาปอคุโสณธรรมทั้งหลายมีความดำริซ่านไปเพื่อกุลแก่สังโย์ย่อมเกิดขึ้นแกภิกษุเพราะหูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิน่นเพราะลิ้นได้ลิ้มรสเพราะกายได้รับสัมผัส เพราะใ จ, จรู้ธรร ม, มารมณ์บาปัจจุบุธรรมทั้งหลายย่อมอยู่ย่อมซ่านไปภายในของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในบาปักุบุธรรมเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นทับภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล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 เป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆาศึกภายในสามโมหะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆาศึกภายในภิกษุทั้งหลายทำสามประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายใน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 โมหะทำให้จิตกำเริบโมหะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภายนั้นคนหลงไม่รู้จักผลคนหลงไม่รู้จักเหตุความหลงครอบงมนโรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุโลธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 คำว่าในโลกได้แก่ในมนุษย์โลกโรวมความว่าอันตรายเท่าที่มีอยู่ในโลกว่าด้วยทิศ ท, ที่ไม่เคยไปคำว่าเมื่อจะไปสู่ทิศ ท, ที่ไม่เคยไปอธิบายว่าอมตะนิพพานตราสเรียกว่าทิศ ท, ที่ไม่เคยไปคือทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหา เป็นที่คลายกาหนักเป็นที่ดับิเลกเป็นที่เย็นสนิททิศนั้นชื่อว่าทิศที่ไม่เคยไปทิศนั้นมิใช่ทิศที่เคยไปโดยการยาวนานนี้บุคคลพึงประคองภาชนะน้ำมันเต็มเสมอขอบปากไม่มีส่วนเหลือฉันใดพระโยคาวะจรเมื่อปรารถนาจะไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพึงรักษาจิต ข, ของตนไว้เสมอฉันนั้น เมื่อพิกษุดำเนินไปเมื่อจะไปคือเมื่อก้าวไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปรวมความว่าเมื่อจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคําว่าอันตรายในคําว่าภิกษุพึงปราปรามอันตรายอธิบายว่าพึงปราปรามคือครอบงำกาจัดขับไล่ย่ยมยีอันตรายรวมความว่าภิกษุพึงปราปรามอันตราย คำว่บ <PTSD> าบนที่นั่งที่นอนอันเงียบสงดอธิบายว่าบนที่นั่งที่นอนที่อยู่ปลายแดนอันสงดคือเป็นที่สุดรอบมีภูเขาเป็นที่สุดมีป่าเป็นที่สุดมีแม่น้ำเป็นที่สุดหรือมีแหล่งน้ำเป็นที่สุดเป็นสถานที่พวกมนุษย์ไม่ไถไม่หวานไม่เป็นที่ท่องเที่ยวของมนุษย์เพราะเลยเคชุมชนรวมความว่าบนที่นั่งที่นอนอันเงียบสงด โดยเหตุนั้นพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าพิสุเมื่อจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปพึงปราบปรามอันตรายเท่าที่มีอยู่ในโลกบนที่นั่งที่นอนอันเงียบสงัด